สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีพรปเยซูตอนที่435เรื่องการเสี่ยมล้นด้วยพุ่ญยันบริสุทธิ์อย่าลืมนะครับพี่น้องครับว่าพุ่งยันบริสุทธิ์นั้นรปเยซูได้ส่งประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนผู้เชื่อที่เชื่อด้วยใจรับรปเยซูได้ปากรับระเยซูได้ปากหมายความว่า ยอมรับว่าพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหลังจากที่เขาอาธิษฐานสารภาพบาปหลังจากที่เขามีธาตเทียงกันกับใจใหม่หลังจากที่เขาได้อธิษฐานทูลขอการอาภัยโทษจากพระเจ้าแล้วเขาก็เชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเขาก็ตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไป นั่นคือวิถีของการบังเกิดใหม่ครับเมื่อคนคนหนึ่งบังเกิดใหม่แล้วเขาก็เป็นบุตรของพระเจ้าโดยการรับพระวิญญาณนั่นคือคําว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั่นเองพียงครับเมื่อเราได้บังเกิดจากพระเจ้าเรารับพระวิญญาณเราบัพติศมาพระเยซูบัพติศมาเราเข้าอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นลู ก, ลกของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์เป็นทายาทเราได้ตายกับพระเยซูคริสต์และเป็นขึ้นมาใหม่แล้วกายของเรานั้นก็กลายเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะมีพระวิญญาณประทับอยู่เป็นเครื่องรับประกันเป็นผลแรกแห่งมรดกนิรันดร์ของเราในสวรรค์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งดีที่พระเจ้าได้ชงโปรดประทานให้กับเรา เวลาที่เราเชื่อในพระองค์ในฐานะที่เราเป็นกุศเลียนนี่คือประโยชน์สูงสุดที่เราได้รับการใช้ชีวิตอย่างมีค่าและเหมาะสมก็คือการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์หรือที่เราเรียกว่าอยู่ภายใต้การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื่องจากสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วในพระเยซูคริสต์นั่นก็คือการเป็นบุตรของพระเจ้าและสิ่งที่เราจะเป็นต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีก เราจะเหมือนพระองค์เราจรึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นอย่างที่เราสมควรก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์และเหมือนอย่างที่เราเรียกพระองค์พระเยซูและในขณะเดียวกันเรียกพระวิญญาณว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใกล้ครวนเพราะว่ามันมีความเห็นหลายอย่างมีหลายตำราหลายคำนักสอนเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนว่าบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองนะครับหลังจากที่เรารับเชื่อแล้วหรือหลังจากที่เรารับพระวิญญาณแล้วแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่า ความจริงแล้วเมื่อเรารับเชื่อนะครับคนคนนั้นรับเชื่อหมายความว่ารับเชื่อจริงๆนะครับหมายความว่าเขาบังเกิดใหม่จริงๆนะครับหมายความว่าเขากลับคืนดีกับพระเยซูกับพระบิดาจริงๆนะครับนั่นแหละครับเราได้รับพระวิญญาณแล้วและพระกัมภีร์ก็เรียกว่าเราบัพติศมานะครับเราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วและหากว่าเราจะมีประสบการณ์ต่อต่อไป หลังจากที่รับเชื่อแล้วเราเรียกว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่คนคนนั้นค น, ค น, ค, นคนหนึ่งคนใดรับปรับมาแล้วนะครับต่อต่อไปในชีวิตในภายภาคหน้าของคนคนนั้นเราจะเรียกว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอังเกตจะว่าฟิวเด็ดแคแล้ว ฟิลด์ก็คือการเต็มล้นด้วยพวุญญมิจฉุตนั่นเองพี่น้องครับประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันนะครับระหว่างหลายๆค่ายนะครับแท้จริงแล้วก็เป็นพี่น้องกันครับเป็นผู้เชื่อเหมือนกันประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าชื่อเรียกนั่นเองครับหลายหลาคนก็เรียกการประกอบด้วยพวุญญาณมิจฉุตว่าการบัพติศมานะครับบางกลุ่มบางคณะบางวิกายก็เรียกเช่นนั้นแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับว่า คิดไข้ควรครับว่าชื่อนะครับซึ่งเป็นประเด็นแรกอาจจะต่างกันเรียกต่างกันอาจจะเกิดจากความเข้าใจนะครับที่ถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่ได้ในขณะเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คืออาการครับอาการแสดงหรือภาษาอังกฤษเช้คำว่า s i น์นะครับ s i g n นะครับ s i น์ ก็คืออาการแสดงว่าเวลาที่เราประกอบด้วยพยัญชนิสุทธดนะครับหรือเวลาที่เราใช้คําว่าบัพติสมาด้วยพยัญชนิสุธดหรือเปลี่ยมล้นด้วยพยัญชนิสุทธดหรือรับการเติมเต็มด้วยพยัญชนิสุธิ์หรือรับการเจิมแก่พยัญยนะสุดที่น้องครับสับต่างต่างเหล่นี้ยนะครับอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่น่าจะเป็นไรมากแต่บางคนเน้นอาการครับอาการแสดงออกมาเช่นบางคณะบางกลุ่ม นะครับก็เน้นเรื่องการมีหมายสําคัญที่เหนือธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นการล้มอาจจะเป็นการพูดภาษาแปลกอาจจะเป็นอะไรหลายอย่างครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมดาทั่วไปอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการความประเด็นความขัดแย้งค่อนข้างมากครับตรงนี้เองนะครับเป็นเรื่องภายนอก หมายความว่าอาการภายนอกที่แสดงออกมานั้นผมไม่อยากให้เราที่จะขัดแย้งกันในเรื่องนี้เพราะเหตุที่ว่าแท้จริงแล้วเวลาที่เราพูดถึงการเปลี่ยมล้นในพุ่มยันสุดสิ่งที่สําคัญเกิดขึ้นในชีวิตในข้างในครับมเป็นการสัมผัสระหว่างจิตวิญญาณของคนคนนั้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะมีอาการแสดงออกภายนอกหรือไม่นะครับผมคิดว่าคงไม่สําคัญเท่ากับการที่คนคนนั้นได้รับการสัมผัสแตะต้องจากพุนเนียมบริสุทธิ์บางคนอาจจะร้องไห้บางคนอาจจะหัวเราะบางคนอาจจะอยู่เฉยเฉยบางคนอาจจะกระโดดโลดเต้นหรือบางคนอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปกติแล้วไม่ได้ทําอาจจะเป็นปรากฏการณ์ นะครับอยู่ไม้ธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติก็แล้วแต่เพียงครับอย่าให้เราขัดแย้งด้วยอาการแสดงที่ไม่เหมือนกันแล้วก็กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดหรืออีกฝ่ายหนึ่งถูกอีกฝ่ายหนึ่งผิดเพียงครับสองประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รอดนะครับ เราจะเรียกชื่อต่างกันหรือเราจะมีอาการแสดงบางสิบบางอย่างก็เป็นไปตามจริตของผู้ที่มีอาการแสดงเหล่านั้นพี่น้องครับเรากลับมาดูความจริงในพระชนะของพระเจ้าดีกว่านะครับเรามาดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคเซนะครับพระเยซู ป, ประทานพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ จากฟ้าสวรรค์ให้กับคนหนึ่งร้อยยี่สิบคนตรงนั้นเรียกว่ารับบัพติศมาด้วยพุ่งยาณหลังจากนั้นอีกสามพันคนผลของการรับบัพติศมาด้วยพุ่งยามบริสุทธ์นั้นก็คือเขาเหล่านั้นเปี่ยมล้นด้วยพุ่งยามบริสุทธ์อันนี้บันทึกอยู่ในกิจการบทที่สองข้อที่สี่เพียงนครับเราเห็นได้ว่าการเปี่ยมล้นด้วยพุ่ญญามบริสุทธ์นั้นก็คือผลสืบเนื่องจากการรับบัพติศมาด้วยพุ่งยาณ น, น, นั่นเอง สิ่งที่เปซูรทรงกระทำก็คือให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจากสวรรค์และสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้รับก็คือรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการรับบัพติศมาเป็นประสบการณ์แรกเริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนการเตี่ยมล้นคือผลลัพธ์ซึ่งตั้งใจจะให้ต่อเนื่องและคงอยู่ตลอดไปพี่น้องครับการรับบัพติศมานะครับเป็นประสบการณ์แรกเริ่มนะครับ พระเจ้าก็จก็าว่าแรกเริ่มและมีผลตลอดไป once and for all นะครับ once and for all นั่นหมายความว่าเกิดขึ้นทั้งเดียวนะครับและมีผลตลอดไปช่วนการเปลี่ยนรถนนั้นสามารถเกิดขึ้นหลายครั้งได้และพระเจ้ามีประสงค์ให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกตินะครับของชีวิตคริสเตียน เราสามารถทวนย้ําการเปลี่ยมล้นได้และเราจะต้องพดุงรักษาไว้ซึ่งการเปลี่ยมลน้นหากเราไม่พดุงรักษาไม่บํารุงไว้จะสูญหายไปได้ <c oughs> แต่หากสูญหายไปนะครับก็สามารถฟื้นฟู ก, กลับมาอีกได้ทีนี้อาจจะมีคําถามว่าทําไมมันถึงสูญหายไปได้เพราะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในโลกนี้ครับหลายหลาครั้งทีเดียวหรือบางครั้ง เราก็เผลอไผลที่จะกระทำบาปและจะทำให้พู้มีญาณบริสุทธิ์เสียพระไท่หนทางเดียวที่จะฟื้นฟู ก, กลับมาอีกก็คือการสานึกบาปสารภาพบาปเสียพี่น้องครับถ้าพูดในมุมนี้เราจะรู้ว่าทุกวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปโบสเราจะต้องสารภาพบาปเราต้องสำนึก เราต้องให้ครวญตรวจสอบให้พระวิ ญ, ญญาณตรวจตราชีวิตของเราหรือไม่กระทั่งอยู่ในโบสถ์เองนะครับก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าเราต้องตรวจสอบตรวจตรารับการชำระเพื่อที่ความผิดบาสนั้นจะหลุดหายไปเพื่อที่ความผิดบาสนั้นจะไม่ได้เป็นสิ่งขัดขวางเป็นสิ่งกีดขวางขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้านั่นเองเห็นไหงครับความบาปนั้น ทำให้การเปี่ยมล้นด้วยพุ่มยามสุดหายไปครับพร่องไปครับเราจึงจําเป็นต้องรับการเปลี่ยนเปี่ยมล้นด้วยพุ่มยามสุดนะครับหลายหลายครั้งเพราะฉะนั้นทุกครั้งทุกวันอาทิตย์ที่เราไปโบสถหรือทุกคืนที่เราได้อธิษฐานสารภาพบาปประจําวันประจําสัปดาห์นั่นแหละครับหลังจากที่เราสารภาพบาปเราสามารถที่รับการเปี่ยมล้นด้วยพุ่มยามสุดได้ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเข้าใจเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพ่อวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและบ่อยๆ บ, บ่อยครั้งให้บ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้อาเมน